สาเรสุราสุเรสารีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพวกสุราอสุราทั้งหลายให้แล่นไปในสาระนี้มีอธิบายว่าในสาระโดยความเป็นภาชนะแห่งพระศัทธธรรมพวกสุราและอสุราชื่อว่าสุราสุราก็คือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างพวกสุราและอสุราเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงอย่างผู้อื่นให้แล่นไปคือทรงนำให้บรรลุถึงพระนิพพานหรือย่อมทรงให้ระลึกถึงพระศัทธรรมด้วยเทศนาซึ่งมีในอันวิจิตเพราะเหตุ น, นั้นจึงทรงพระนาว่าสารีผู้ทรงย่างผู้อื่นให้แล่นไปถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเช่นไรแม้อีกพระพุทธรกิจตาจารย์จึงกล่าวว่า รัศาสา ร, า ร, ารสัริสโรทรงมีสาระในรถและทรงเป็นอิตราในรถสาระในรถทั้งหลายชื่อว่ารัะสาระทรงมีสาระในรถได้แก่รถคือโลกุตรธรรมก้าเพราะเหตุไรเพราะทำความไม่มีชราและมรณะให้สำเร็จสาระในรถนั้นแน่นไปแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้หรือว่า มีบริบูรณ์แล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่ารัศาสาระสะรัศาสาระสะโรรัาสาระสะโรผู้ทรงมีสาระในรถแล่นไปได้แก่ทรงมีการแล่นไปในธรมรมกล่าวคือพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอิสระในสาระที่แล่นไปในรถนั้น พระทรงทํำสารนานให้สําเร็จและเพราะทรงแสดงสาระนั้นจึงทรงพระนามว่ า, ร, า, า, า, ร, า, ร, ารัสารสริสโรทรงมีสาระแล่นไปในรถและทรงเป็นอิสระพระพุทธริตาจารย์กล่าวว่ารัศาสารราเสสารีทรงยังผู้อื่นให้แล่นไปในรถที่มีสาระในรถเพื่อจะตอบคําถามคําว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้น ได้ทรงกระทําอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงยังพวกสุราและอสุราให้แล่นไปคือทรงส่งไปได้แก่ทรงวางไว้ทรงให้ดําเนินไปในบึงคือพระนิพพานอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วชื่อว่าในรถอันเป็นสาระในรถที่บริบูรณ์แล้วเพื่อจะตอบคําถามคําว่าทรงให้แล่นไปในที่ไหนพระพุทธรัิคตาจารย์จึงกล่าวคําว่าสุรา สุรส ร, ร, รัศีเรเนือศีรษะของพวกสุราและอสุราได้แก่บนเสียนคือบนกระหม่อมของสิ่งที่แล่นไปกล่าวคือสันดานของพวกสุราและอสุราอธิบายว่าทรงทำรถอันเป็นสาระในรถเหล่านั้นให้บริบูรณ์แล้วในคำว่าเดวานังน no ันดโนเดว เทพผู้เป็นที่นันทนาการของถวยเทวานี้มีอธิบายว่าทา้าส ก, กัตเทวราชผู้ทรงเป็นเทพที่ยังเทวดาทั้งหลายให้เพลิดเพลินในการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่สักกบุรีมุ่งพระพักไปยังบรรทุกกรพลศิลาอารเพื่อแสดงอภิธรรมในการนั้นทา้าส ก, กัสนั้นได้เสียใจว่าบรรทุกกรพลศิลาของเราใหญ่ยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสรีระเล็กเหลือเกินไม่ทรงงดงามเลยท่านได้กล่าวคำนั้นหมายถึงเหตุนั้นคำว่าเดวเดวนาดันดิโนนั น, น, นดิโนความว่าไม่ทรงเพลดิดเพลินแล้วคือไม่ยินดีแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทพของเทพคือผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพของเราทั้งหลายคือของพวกเรา อามีคำถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าไม่ทรงเพลิดเพลินแล้วเพราะความรู้ที่ตนได้รู้แล้วคือพระความเป็นผู้มีปัญญาทุรพลครั้งนั้นเท้าสักะทราบอัตยาศัยศศศของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยอนุภาพแห่งปัญญาเป็นเครื่องรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีปัญญาเป็นเครื่องรู้ได้ความสังเวชเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนั่งปกปิดอาสนะทั้งสิ้น ได้รู้แล้วด้วยความรู้ที่ตนได้รับรู้คือทราบกําลังของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาของตนพระพุทธเจ้าก็เห็นรู้ใจของทศันะาทาศกะนนะว่าท้าสกะนี่คิดว่าพระวรกายของพุทธเจ้าเล็กแต่ว่าบรรทุ ก, กําพลของท้าสกะเนี่ยใหญ่มากนะไม่สมส่วนกันเลยพุทธเจ้าก็เลยอเอาสังคติเนี่ยนะโยนสังคติไปสังคติก็คลุมพอดีแท่นบรรทุกําบวลศิลานะท้าสกะก็ยัง ระลึกอจกยังคิดอีกว่าอ๋อสังขติจะแผ่คลุมบรรทุกกำพลศีลาก็จริงแต่พระพุทธเจ้าก็คงจะเสด็จประทับนั่งที่มุมแห่งหนึ่งเท่านั้นเองพรุเจ้าก็ประทับนั่งก็พอดีเลยพอดีกับบรรทุกกำพลศิลาอาท้าสกาก็เดยสะดใจนะคิดประมาณพระวรตายของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าเป็นอจินไตยนะคําว่าเดวาเสนเดวาสนะได้แก่บรรทุกกมพลศิลาอา คำว่าสัสาสนในสศาสนะได้แก่ศาสนาของพระองค์ด้วยคําว่าสเดวานางนี้พระพุทธรคิตาจารย์ถือเอาผู้ที่เป็นภาชนะรองรับพระศัทธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วด้วยคําว่าดัสนาสนังพระพุทธรคิตาจารย์แสดงโภชนะกล่าวคือพระสัทธรรมก็แสดงด้วยบทนี้นะ บัดนี้พระพุทธรคิตาอาจารย์เมื่อจะทำการป้องกันตนด้วยบทประพันธ์ชื่อว่าปะเหลีอันปกปิดเนื้อความที่ต้องการด้วยตัดจึงกล่าวว่าดัาสนาวาคโตสัญโยผู้ทรงมีสัญญาเกิดแต่ริมพระโอษฐ์เป็นต้นในบ่ายคาถานั้นมีวิเคราะห์ดังนี้ดัสนานจดัสนาอวันจดัสนาวะบทนี้เป็นสรูเปกะเสสะดวันะสมาธ สมาธิคือย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเนี่ยเป็นบทเดียวกันนะกรูเปเสสะดวันดสสะสมาธก็คือสมาธินําบทสองบทมาย่อเป็นบทเดียวกันแล้วเหลือไว้บทหนึ่งในที่นี้ก็คําว่าดัสนาวะมาจากบทสองบทก็คือดัสนาจะแปลว่าฟันกับดัสนอาอวันจะแปลว่าริมฝีปามารวมกันแล้วก็เหลือเฉพาะคําว่าดัสนาวะนะ ก็เทกัฟันอันเป็นคำหลังคำ ว, ว่าดัสนังได้แก่ฟันคำ ว, ว่าดัสนะอวังได้แก่ริมศีปากทั้งสองบทว่าดัสนาวาคโตเกิดแต่ริมพระโอษฐ์ได้แก่เกิดจากฟันและริมสีปากคำ ว, ว่าสั ญ, ญโยทรงมีสัญญาได้แก่ชื่อถามว่าชื่อนั้นว่าอย่างไรตอบว่าชื่อนี้ว่าพระพุทธเจ้า คำว่าอันทัศตะมะโดรวิทรงเป็นดวงระวีที่กําจัดความมืดของผู้มืดบอดได้แก่พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นดวงระวีคือดวงอาทิตย์กําจัดความมืดมิดของผู้มืดบอดคือของชาวโลกทั้งสิ้นผู้บอดคือผู้มืดบอดเพราะโมหะคําว่าอัตมาปุณณสังก ป, ปบุคคลที่แปดมีความดําริบริบูรณ์ความว่า บุคคลที่แปดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอริยบุคคลทรงมีความดำริเต็มเปี่ยมคือตรงมีอัธยาศัยบริบูรณ์จงปกป้องคือจงรักษาบุคคลผู้มิใช่บุคคลอื่นก็คือเราคือบุคคลใดย่อมไม่เป็นบุคคลอื่นอย่างไรบุคคลนั้นเองอธิบายว่าโปรดจงปกป้องอย่างนั้นเพื่อจะตอบคาถามว่าจงปกป้องโดยกระทาเช่นไร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 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงปกป้องข้าพระองค์ผู้ถึงพระองค์เป็นที่พึ่งทำให้เป็นผู้ปราศจากราคะและให้เป็นสัพพัญูพุทธฉันนั้นเถิดท่านพระพุทธรัตคีตานิท่านก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าอันตรายอะไรๆจงยามีแก่ข้าพระองค์หรือแก่การปฏิบัติโดยชอบของข้าพระองค์จนกว่าข้าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงรักษาโดยประการที่อันตรายจะไม่มีเถิดท่านพระพุทธรกิจตาจารย์ครั้นกล่าวว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีโดยส่วนเดียวอย่างนี้แล้วเมื่อจะจบลงว่าบุคคลไม่ควรทําความสงสัยในคํานั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกอบแล้วด้วยพระพุทธคุณนั้นทรงเป็นผู้รู้แจ้งเป็นสัพพันญูเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น จึงกล่าวคำว่าเอกังตะเมวะโดยส่วนเดียวเป็นต้นในคำเหล่านั้นคำว่าสปรัสทะปโรทรงมุ่งประโยชน์พระองค์และประโยชน์ผู้อื่นได้แก่มีความพยายามมากในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สาเร็จคำว่าหาตมาระเบเณด้วยการกําจัดผลของมารคาความว่า ด้วยการกำจัดมารกล่าวคือขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารและเทวพุทธมารและไล้ผลของมารท่านอธิบายไว้ว่าพระมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยในนิพานนั้นได้บำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายเพื่อทำประโยชน์พระองค์และประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จด้วยกำลังแห่งพระมหาการุณาโดยส่วนเดียวเท่านั้นพระมหาบุตรประทับนั่งบนโพธิที่บัลลังแล้ว ชนะข่าศึกคือมารแม้ทั้งห้าด้วยกำลังแห่งบารมีนั้นได้สำ ม, มาสามโพธิญาณที่บริสุทธิ์อย่างดีแน่นอนทีเดียวเทียวด้วยกำลังแห่งการชนะข่าศึกคือมานั้นเพราะพระมหาบุรุษนั้นไม่มีความสงสัยในเหตุหรือในผลในการละกิเลสหรือในคุณที่รู้แจ้งแล้วฉะนั้นคาถาที่แสดงถึงเรื่องนั้นจึงชื่อว่าอสังสยคาถา คือคาถาที่ไม่มีข้อสงสัยการตัดใจจากความรักภายในก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปท่านพระพุทธรกิจตาจารย์เมื่อจะแสดงกิจที่พระมหาบุุษทรงตัดความรักอย่างนี้จึงกล่าวว่าพระมหาบุุษนั้นทรงเป็นผู้มิใช่ตัดที่ต่ำต้อยสเสด็จลงแล้วทรงปลงบาปทำลงแล้วสเสด็จจากม้าที่นายช น, นะคุมกันไปแล้ว ทรงอธิษฐานเพศพนวดอย่างสูงสุดที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาพระองค์ได้ปีติสุขอันไม่มีอามิตรไม่มีอะไรเปรียบเทียบที่อนุปิยะอัมภวันทรงทมชาวกรุงราชคลึพร้อมทั้งพระราชาให้รู้สึกแปลกใจด้วยความงดงามแห่งรูปของพระองค์ต่อมาพระองค์ถึงจะมีพระภัยยินดีด้วยฌานของอารารดาบทและอุทธกดาบทแต่ก็ได้ละทิ้ง สเสด็จไปยังอุรุเวลาเพื่อความเพียรอันยิ่งใหญ่ทรงกระทํากิจที่กระทําได้ยากอย่างสูงสุดความเป็นพระสัพพัญญาย่ยอมไม่สําเร็จเพราะการมย่อมไม่สําเร็จเพราะการกระทําที่ทําได้ยากคือทุกรักกิริยาหรือว่าอัตตกิรมาฐานุโยคที่ไม่สําเร็จเพราะการรมก็คือไม่สําเร็จจากการมมาสุ ข, ขานิการุโยคแต่สําเร็จได้ด้วยข้อปฏิบัติสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิบาาัติ พระองค์ทรงทราบถึงคุณที่ทรงได้แล้วในการก่อนนั้นสเสด็จถึงต้นโพ ท, ที่งามเพื่อบําเพ็ญธรรมบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโอโรฮิตโตเสด็จลงแล้วได้แก่สเสด็จก้าวลงจากปราศาสคำว่าโอโรหิตะปาปะธรรมโมทรงปลงบาปธรรมลงแล้วได้แก่ทรงทิ้งบาปธรรมแล้วคำว่าฉันเนนะ สันช น, นะหะเยนะม้าที่นายช น, นะคุมกันได้แก่สเสด็จจากหลังม้าที่นายช น, นะอมาตจัดเตรียมถวายมาคําว่านิรามิ ส, งสังปีติสุขังปีติสุขอันไม่มีอามิตรได้แก่ไม่ได้เสวยโภชนะอะไรอะไรในสัปดาห์นั้นแต่ได้ให้เวลาน้อมไปด้วยปีติสุขอันเกิดจากการบรรพชาอย่างเดียวคําว่าสรูปโสพายะ ด้วยความงดงามแห่งรูปของพระองค์ได้แก่ด้วยความงดงามแห่งพระรูปของพระองค์อธิบายว่าทรงทำชาวกรุงราชคลึกับพระราชาให้เป็นประดุลงดงามด้วยรูปแปลกในคําว่านาการมาโตเพราะกามเป็นต้นมีอธิบายว่าย่อมไม่สําเร็จเพราะการมสุขาลิการุโยคคําว่าเนวติดุกกรมหา ย่อมไม่สําเร็จเพราะการกระทําที่ยากได้แก่ย่อมไม่สําเร็จเพราะอัตตะกิรมถานุโยกคําว่าสับบัญยุตตาความเป็นสัพพัญยูได้แก่พระสัพพัญยุตายานย่อมแจ่มแจ้งคือที่แท้แลย่อมสําเร็จได้ด้วยมัชชิมาปฏิปทาคําว่ายัตวานะตังปุบะคุโนปลัพทังทรงทราบถึงคุณที่ทรงได้แล้วในการก่อนนั้นเป็นต้นความว่า สเสด็จมาสู่ต้นโพธิงามคือโคนต้นอศัศรธะโพภึกอันงดงามดีเพื่อจเจริญสมาธิที่พระองค์ประทับนั่งที่ร่มเงาต้นว่าได้แล้วในครั้งก่อนในข้อนั้นมีถ้อยคำอธิบายความตามลำดับดังต่อไปนี้ท่านก็นำมาจากขุทกานิกายพุทธวงศ์นะอัตถกถาพระพพธิษัตว์ทรงหยุดยืนในที่นั้นแลอย่างนี้ ทรงทำลายการม ก, กิเลสแล้วทรงชักพระบาทที่เหยียบทรรณีประตูกลับออกไปไม่ทรงโทมนัสอะไรดวดพญาสีห์ไกลอรราชสีเยื้องกลายเพื่อทำลายกระพองช้างตัวซับมันฉะนั้นทรงเกิดปีติโสมนัสแล้วเสด็จไปยังปราสาทที่งดงามลงจากพื้นปราสาทเสด็จไปใกล้หมาพลางตรัสว่าพ่อหมากันะกะเจ้าจงพาเราข้ามไปในคืนเดียวในวันนี้ เราจะอาศัยเจ้าตัทรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนำชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงกระโดดขึ้นหลังมา้าก่อม้ากันตกะตั้งแต่คอไปมีความยาวสิบแปดศอกมีความสูงก็ประมาณนั้นสมบูรณ์ด้วยรูปสันฐานความเร็วและกำลังมีสีเหมือนสังที่ขัดแล้วจากนั้นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนหลังม้าตัวประเสริฐ ทรงให้นายช น, นะจับหางม้าสเสด็จถึงประตูใหญ่แห่งพระนครในเวลาเที่ยงคืนในครั้งนั้นพระเจ้าสุโตรธนามหาราชโปรดให้สร้างบานประตูสองบานแต่ละบานต้องใช้บุรุษหนึ่งพันคนเปิดเพื่อป้องกันพระโพธิสัตว์สเสด็จออกในการก่อนทรงแต่งตั้งพวกราชบุรุษเป็นอันมากไว้เพื่ออาราขาแต่พระโพธิสัตว์ทรงมีพระกำลังเท่ากับคนหนึ่งมื่นโกดคน ต้องมีพละกำลังเท่ากับช้างหนึ่งพันโกดเชือกเหตุนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงทรงดำริว่าถ้าเคยใครไม่เปิดประตูวันนี้เรานั่งบนหลังม้ากันตกะนี่แหละจะหนีม้ากันตกะกับนายชนะผู้จับหางมา้ามาด้วยกันไว้ที่ขาอ่อนกระโดดข้ามกำลังอ่าขอโทษครับกระโดดข้ามกำแพงสิบแปดศอกออกไปม้ากันต ก, กะก็คิดว่า ถ้าใครๆไม่เปิดประตูเราจะพาพระลูกเจ้าผู้นั่งตามสบายกับนายชนะผู้จับที่หางกระโดดข้ามกำแพงประมาณสิบแปดศอกออกไปเพราะเหตุที่นายชนะก็มีพระกำลังเท่าช้างห้าเชือกดังนั้นนายชนะนั้นก็คิดว่าถ้าใครไม่เปิดประตูเราจะให้พระลูกเจ้านั่งบนคอหนีบม้าไว้ที่รักแร้เหมือนหนีบห่อข้าวกระโดดกระโดดข้ามกำแพงสิบแปดศอกนี้ออกไป ฝ่ายพวกเทวดาผู้สิงอยู่ที่ประตูก็ได้เปิดประตูออกให้ขณะนั้นมารผู้ชั่วช้าคิดว่าเราจะให้พระมหาศ า, ศาสเสด็จกลับจึงถือดาบมายืนกล่าวในท้องฟ้าว่ามหาราชพระองค์อย่าเสด็จออกไปในวันที่เจ็ดนับแต่วันนี้จั ก, กรรัตนทิพย์จกปรากฏแก่พระองค์แน่นอนพระองค์จะได้ครองราชสมบัติในทวีปใหญ่ทั้งสี่ซึ่งมีทวีปน้อยสองพันทวีปเป็นบริวาร จงเสด็จกลับเถิดผู้นีร้ระทุกข์พระมหาปรุษตรัสว่าท่านเป็นใครมารกล่าวว่าเราเป็นมาราวสวาดีพระมหาปรุษตรัสว่ามารเรารู้ว่าจั ก, กรรัตนะจะเกิดแก่เราแต่เราไม่ต้องการราชสมบัติไปเถิดมารท่านอย่าอยู่ในที่นี้เลยพระพพธิษัท์ก็ไล่มารนะมนุษย์ไล่เทวดาท่านเลิศเลย อันหนึ่งเราจัดทำโลกธาตุที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นหมื่นโลกธาตุให้บรรลือจักตสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นำอย่างวิเศษในโลกมานานจึงได้หายตัวไปณนะที่นั้นนั่นแหลพระมหาบุรุษไม่ต้องมีความยืดใหญ่ทรงสระราชสมบัติแห่งพระเ จ, จ้าจักรพรรดิที่อยู่ในเงื้อนพระหัตเหมือนทิ้งก้อนเถระเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุยี่สิบเก้าชนษาเสด็จออกจากพระราชวัง อันเป็นที่อยู่มีทิริแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จออกจากพระนครในขณะกลุ่มดาวอุตราสารหะปรากฏอยู่ในวันเพ็ญเดือนอาสารหะมีพระประสงค์จะเหลียวมาทอดพระเนตรพระนครครั้งสุดท้ายในระหว่างพระมหาบุรุษนั้นมีความวิตกมีความปริวิตกภู้มิประเทศนั้นก็ได้หมุนไปเหมือนกับจักนายช่างหม้อพระมหาบุตรผู้ประทับยืนอยู่นั่นเอง ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นกรุงกบิรพัตทรงแสดงเจติยสถานที่กลับของม้ากันทกะก็เรียกว่ากักะนิวัตนะนะทรงแสดงเจติยสถานที่เป็นที่กลับแห่งม้ากันทะกะก็ะเดินหน้าของบุญณภาภูมิประเทศนั้นแล้วทรงขับม้ากันทกะมุ่งหน้าไปยังหนทางที่ควรไปเทวดาทั้งหลายพากันถวายสการะอันยิ่งใหญ่โอฬาร อันเป็นที่รวมแห่งสิริขณะเมื่อพระมหาสัตว์กำลังสเสด็จไปพวกเทวดาก็ถือคบเพลิงหก0มืนํำหน้าพระองค์ถือคบเพลิงตามหลังหก0มืถือคบเพลิงทางข้างด้านขวาหก0มืถือคบเพลิงทางด้านข้างซ้ายหก0มืนเหมือนกันเทวดาอีกพวกหนึ่งได้พากันมาสการะแวดล้อมด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมจุนจันแสจามอนธงชัยและธงแผ่นผ้าเป็นต้น ประโคมดนตรีทิพย์หลากหลายขับกลมพระโพธิสัทเสด็จไปด้วยสการะอันเป็นที่รวมแห่งสิรินี้ทรงล่วงพ้นราชสมบัติทั้งสามเสด็จไปสิ้นระยะทางประมาณสามสิบโยน์โดยราตรีเดียวเท่านั้นถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาในเวลาอารุณขึ้นครั้งนั้นพระโพิสัทประทับยืนที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัสถามอมาชนะว่านี่แม่น้ำอะไร อมาชนะกราบทูลว่าแม่น้ำอโนมาพระเจ้าข่าพระโพธิสัตว์ทรงตริกว่าการบวชของเราจะชื่อว่าไม่ตำํามทรงใช้ส้นเท้ากระตุ้นให้ม้ากันตะรู้สึกตัวม้ากันตกะได้กระโดดข้ามแม่น้ำซึ่งกว้างประมาณสิแปอุสุพะไปยืนที่ริมฝั่งโน้นพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากหลังมา้าประทับยืนบนหาดทรายอันเช่นกับกองแก้วมุกดา รับสั่งกับอมาตชันะว่าสหายชนะท่านจงนำอาพรของเราและพาม้ากันตะ ก, กลับไปเราจะบวชอมาตชนะกราบทูลว่าข้าพระองค์จะบวช ด, ด้วยพระเจ้าข่ า, ขาพระโพธิสัตตรัสว่าท่านยังบวชไม่ได้จงกลับไปตรัสห้ามถึงสามครั้งนายอมมาต่อโทษับตรัสห้ามถึงสามครั้งให้อมาตชนะรับเครื่องอาภรและม้ากันตะ ก, กลับไป ต้องดมริว่าผมของเรานี้ไม่เหมาะสมกับสมณะเราจะเอาดาบตัดผมออกทรงใช้ประหัรขวาจับดาบที่ลับจนคมกลิบใช้ประหารซ้ายจับมวยผมแล้วตัดออกพร้อมกับพระโมลีพระเกษาประมาณสององคุลีได้เวียนขวาติดอยู่บนพระเศียรพระเกษานั้นได้มีประมาณนั้นแหละตลอดพระชนมชีพส่วนพระมะสุก็ได้มีเหมาะสมกับพระเกษา น, านั้น พระองค์ไม่ต้องปรงพระเกษาและพระมาสุอีกเลยพระบพิสัตวได้จับมวยผมพร้อมกับพระโมลีโยนไปในอากาศด้วยทรงอธิษฐานพระไถว่าถ้าเราจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอมวยผมขอมวยผมจงดำรงอยู่ในอากาศเถิดถ้าไม่ได้เป็นก็จงตกลงบนพื้นกลุ่มมวยพระเกษานั้นได้ลอยไปประมาณหนึ่งโยน์ลอยอยู่กับที่ในอากาศ ครั้งนั้นท้าวส ก, กเทวราชทอดพระเนตรดูด้วยจักสูอันเป็นทิพย์ครั้นทรงเห็นแล้วจึงทรงใช้พระอบรัตนะประมาณหนึ่งยอรับกลุ่มมวยพระเกศานั้นประดิษฐานไว้ที่พระจุรามณีเจดีประมาณสามสิบยอไว้ในภพดาวดึงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระกุริสัต ท, ท, ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศได้ตัดพระโมลีที่อบด้วยของหอมอย่างประเสริฐโยนไปในอากาศ เท้าสหัสเนตวาสะวะทรงใช้พระอบทองอย่างเลิศรับไว้ด้วยเสียงกล้าวพระพธิษัตวทรงดำริอีกว่าถ้ากาสีมีค่ามากนี้ไม่สมควรแก่การเป็นสมณะของเราลำดับนั้นคติการะมหาพรมสหายกก่าวของพระพธิษัตตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเนื่องจากความเป็นมิตรยังไม่หายไปในเวลานหนึ่งพุทธทนดรดําริว่า วันนี้สหายของเราออกมหาพิเนกรมเราจะนำสมณะบริขารไปเพื่อสหายนั้นทรงนำ ส, สมณะบริขารแปดนี้คือผ่าไตรจีวรบาตรมีดเข็มประคตเอวผ้ากรองน้ำของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมามอบถวายพระโพิษัททรงรับบริขารนั้นแล้วแม้จะไม่มีอาจารย์ผู้ให้การแนะนำว่าท่านควรท่านควรนุ่งอย่างนี้ควรห่มอย่างนี้ แต่เพราะความที่พระองค์เคยบวชสังสมในสำนักของพระพุทธเจ้าในปางกรและเพราะทรงมีความรู้มากจึงทรงนุ่งผ้าสำหรับนุ่งแล้วทรงคาดประคตเอวทับผ้านั้นทรงห่มผ้าสำหรับหม่มเฉวงบาทรงพาดผ้าสังคาติคล้องบาดไว้บนพระอังศาด้วยถลกบาด ท, ทรงหยิบพระภูษานุ่งโยนไปในอากาศพร้อมกับทรงอธิษฐานพระไยว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ ขอผ้าฐาดกนี้จงลอยอยู่ในอากาศถ้าจักไม่ได้ตรัสรู้ก็จงตกลงบนพื้นดินพท้ามหาพรหมได้รับผ้านั้นนำไปประดิษฐานไว้ในสถูปผ้าสิบสองโยตชื่อว่าทุสสเจดีสถูกผ้าทำการบูชาในพรหมาโลกพระมหาบรุษพอทรงผนวดอย่างนี้แล้วทรงสมาทานการสำรวมระวังตรัสสั่งอำมาตชนะว่า ท่านจงบอกพระมารดากับพระบิดาว่าเราสบายดีตามคำที่เราสั่งแล้วทรงสมแล้วทรงส่งอา ม, มาตชนะกลับจากนั้นอา ม, มาตชนะถวายบังคมพระมหาบรุษกระทําประทักษิณหลีกไปอันนี้ก็เป็นต้นสายปลายเหตุในการที่พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จไปที่โคนโพรพฤกแล้วก็ได้ตรัสรู้ แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ออกมาหาพิเิสุกรมแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่กับาราดาบทกบอุทกาดาบทถึงหลายเวลาเลยจนกทั่งได้สมาบัตแปดนะแล้วก็ไปทำทุกรกิริยาอีกหกปีซึ่งก็จะแสดงในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สมควรกับเวลาขอให้ท่านได้กุศลปีติประโมทนะเพื่อเป็นปัจจัยการอบรมไตรสิกขาขอให้มีสติสมาธิปัญญาพร้อมทั้งศรัทธาที่เป็นมูลแล้วก็ อบรมไตรสิกขาตามคำสอนของพระสมาสมาสัมุริเจ้าเพื่อความสิ้นทุกข์โดยทั่วกันโดยการไม่เนินช้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ